ท่านสาธุชนพุทธบริษสัตทั้งหลายและบรรดารลูกหลานที่รักสําหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของพระโพธิทัตน์เรื่องราวของพระโพธิทัศน์อาจจะจบวันนี้หรือยังไม่จบก็ดูเวลากันก่อนเป็นอ น, นว่าเมื่อท่านทั้งสาม รวมความวาพระราชาด้ว ย, ยก่อนเพื่อเมื่อท่านนาคทั้งสามกับพระเจ้าพาราณสีซึงปรากฏว่ามารู้ว่าต่างคนต่างเป็นญาติกันและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเจ้าพาราณสีก็อยากจะพบน้องสาวซึ่งเป็นแม่ของมันท่นานนาคทั้งสามเมื่อแนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอวัตถุโพธทัศ แล้ต่างคนต่างเขากลับพอพระภูริทั์ถึงหน้ากระพีพบแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยความบอบช้ำที่ต้องเข้าไปอยู่ในกรงในกระโรงถึงสามเดือนทำให้เป็นไข้แล้วก็มีนาคมาเยี่ยมเสมอๆไม่ได้ขาด <c oughs> จนพระภูริทัตเหน็ดเหนื่อยด้ยการกล่าวคำปราสายต้อนรับบุคคลผู้มาเยี่ยม ฝ่ายท้าริธาที่ไปยังเทวโลกนั้นเมื่อไม่พบก็เกับมาไดรับหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูบรรทของบริธาเพื่อคอยห้ามปราบนาคที่มารบกวนเพื่อแหมมันนี่ขอไม่ดีเพื่อคอยห้ามปราบมันบรรดาที่มันนาคที่จะมารบกวนท่านไอ้ขอนี่ใหญ่จริง ฝ่ายโฟคะที่ไปยังป่าหิมพผนานได้ตรวยคนจนทั่วแล้วก็กลับมาถึงม่นน้ำยวนาฝ่ายพรามเนศสัตร์เห็นไอลำพายเป็นโรกเรืยอนริงคิดว่าเพราะเหตุที่ทำให้พระธพูริทัตษ์ลำบากจึงเกิดเป็นโลคร้ายแรงขึ้นทีนี้ส่วนเราก็เป็นคนบอกที่อยู่ของพู้ิทัตษ์ผู้มีบุญคุณแกเรา เพราะว่ า, าพระโพริทัตน์นี่เป็นผู้มีบุญคุณแก่เรามากให้แก่อลำพายอยาจะได้แก้วบาปกรรมอันนั้นคงจัดมาถึงตัวเราเป็นแน่ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่บาปจะมาถึงตัวเราจะต้องทามิธีล้างบาปเฉียดีท่าป่ายากปายากนะในแม่นานยุยวนนา เมื่อคิดแล้วก็ตรงไปัญญาที่นั่งกล่าววาจาว่าเราได้ทำการประทุสร้ายต่อมิตรผู้มีคุณคือพระพูทิทั์เราจะขอลอยบาปนั้นเสียกล่าวแล้วก็ลงไปในแม่น้ำ <c oughs> วันนี้ต้องขอภยัยบรรดาลูกหลานที่รักเนื้อญาติโยมพุทธบริษัทรู้สึกว่าเสียมหามติดคอมาก ทันใดนั้นเองโพคะผู้มาถึงพอดีในยินเสียงคำของพรามในาสายเข้าวก็รู้ได้ทันทีคิดว่า <c oughs> คนชั่วนี้เอาชีวิตมันไหนไหมนะ่ะไอคนชั่วนี้ต้นจัดการกรับชีวิตชีวิตมันสิเถิดคิดแล้วก็อาหาเอาหางพันตีนพรามทั้งสองข้าง แล้วก็ลากลงไปให้ลงไปในน้ำพอจะจมจะขาดใจก็ผ่อนให้หน่อยหนึ่งแต่ว่าพอพราหมณ์นั่นโผล่ขึ้นมาหายใจได้ครั้งเดียวก็กลับดึงให้ลงไปอีกการทรมานทำให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพอโผล่ขึ้นมาอีกจึงกล่าวว่าพูดผีอะไรไมช่ชดเราให้จมลงและแม่ น, น้ำยวนนานี บันดาลูกนาคนะลูกนาคราชที่มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเคยมาล้อมเมืองมนุษย์ไว้แล้วครั้งหนึ่งชื่อว่าสุโคคะอย่างไรเล่านี่ท่านสุโคคะบอกนะอีตาแนงก็บอกว่าพวกนี้มันพูดผีอะไรนะม่อชุดเราให้จมในให้จมลงในแม่น้ำยุวนานี่แนโคคะเข่บอกว่านี่เราคือลูกของพญานาค ที่มีฤิธียิ่งใหญ่ที่เคยมันล้อมเมืองมันรุดไ้แล้วครั้งหนึ่งชื่อว่าสซโภคะยังไลงล่ะสำหรับตาพรามเนศาสตร์ก็แกได้ฟังดังนั้นก็ได้คิดว่าหน้าพูดนี้เป็นน้องชายของพระโพธิทัศน์นั่นเองคงจะไม่ใช้วิธีไม่คงจะไม่ไว้ชีวิตเราเป็นแน่ อยากกันันเลยเราจะยกยอกิติคุณของหน้าตนนี้ทั้งบิดามามดาของเขาให้ใจอ่อนและให้ชีวิตไว้เพื่อหวังจะชีวิตทรงอยู่เป็นอันวาตาพรามก็ได้พูดต่อไปว่าท่านผู้เป็นบทพยานหน้าผู้มีฤทธิ์เดชบิดามามดาของท่านเป็นคนใหญ่โตมาก มารดาคนท่านไม่มีใครเสมอเหมือนในมนุษย์ท่านเองก็มีอนุภาพมากไม่ควรที่จะฆ่าคนที่เป็นเพียงแค่แค่ท่ายของพรามให้จมน้ำตายเลยท่านท่นพ่อข้าได้บอกว่าไอ้พรามชาติชั่วมึงเข้าใจว่าจะหลอกกูให้ปล่อยหรือกูจะไม่ยอมไว้ชีวิตมึง ว่าแล้วก็ประกาศกฎข้อง ร, รมชั่วที่พราะไม่ทำนังต่อไปนี้ว่ามึงยืนแอบต้นไม้คอยดักยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำเนื้อถูกยิงแล้วก็วิ่งโดดโลดเต้นไปดิความเก็บมึงยังติดตามไปจนพบในเมื่อมันนอนกลิ้งอยู่แล้วก็แล่เนื้อหาบมา จนถึงที่อยู่ของพระพุทธทัตถึงเป็นพี่ชายของกูมึงพบพี่กูและพี่กูได้พาเมืองไปเลี้ยงดูให้ยศถาบรรดาศักด์สมบัติมากมายทุกประการมึงยังทำบาปุสียรายบุคคลผู้มีคุณสิได้เวงกรรมนั้นจะต้องสนองมึงในวาระนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตคนไรประโยชน์อย่างมึง นี่บรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำนะขึ้นที่ว่ากฎของกรรชั่วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งปานาธิบาตและการคิดประทุษร้ายคนอื่นเราคิดว่าเราจะทำเขาเพื่อประโยชน์เล็กน้อยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิต แล้วเราเองชีวิตเดียวเอาชีวิตสัตว์หลายแสนชีวิตมาเลี้ยงตัวเราเพื่อหวังความสุขแต่ว่าเคยคิดบางไหมว่าสัตว์แต่ตัวเนี่ยเขาก็มีพ่อมีพี่มีแม่มีน้องมีบทธินดาสามีน่าก็จิตใจของเขาก็มีความรักชีวิตมีความรักครอบครัวมีความความรักบงสาขณายาิ แต่ว่าเราเห็นชีวิตของเขาไม่มีความหมายเอาชีวิตของเขามาเลี้ยงตัวเรานั่งคิดที่ความจริงในเรื่องนี้แม้แต่หากว่าบังเอิญเราจะทําลายทรัพย์สินของเขาขโมยเขา้าขโมยข อ, ของเขาก็เหมือนกันจงคิดถึงตัวเราไว้ไอ้ทรัพย์สินนั่นหลายที่เราหามาได้โดยชอบธรรม ถ้าหากว่ามีใครมายื้อแย่งบ้างลูกหลานที่รักจะมีความรู้สึกยังไงเราพอใจในการเบียดเบียนทรัพย์สินของเราจากคนอื่นหรือเปล่ากฎอันนี้อันหนึ่งที่บรรดาลูกหลานที่ครุ่คนจะต้องคิดถึงแล้วก็บริการที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักที่เป็นพันยาสามีของเราทุกคน เราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะต้องการให้ใครคขมายื้อแย่งคนที่เรารักถ้าเราถูกยื้อแย่งบ้างจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปแย่งเขาอย่างนั้นเอาใจเราวัดใจคนอื่นและรายการที่สี่นั่นก็คือว่าการพูดจาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นวาจาไร้ประโยชน์วาจาหยาบ ไม่ว่าจะส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกลาากันถ้าเรากำลังรักกันอยู่มีความกลมเกลียวกันอยู่ในหมู่คณะของตนถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นให้เราแตกแยกกันเป็นการทำลายความเป็นสุขเป็นการทำลายความสามัคคี ถ้าเราแตกแยกกันมาไรประโยชน์ของเขาก็จะได้จากเราทันทีคือประหัตประหารเนเราปธิเดชนสองคนแ ต, แต่กลุ่ข้อเราหมู่ข้งเราก็จะเกิดแต่ความย่อยยับไม่มีกำลังที่เขาไปต่อต้านการกระทำอย่างนี้ถ้าเขาทำกับเราเราไม่ชอบใจฉันใดลูกหลานทั้งหลายก็จงคิดูว่าการกระทำของเขา การกระทำข อ, ของเราที่ทางเขาก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์กับเขาไม่กันเขาไม่มีใครต้องการนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่พรามเนศทำกับพระโพธิทัตแต่พรามเนศนี่เป็นคนอกักตรันโยไม่รู้คนๆหมายความว่าพรามเนศนี่เป็นคนเร็วมาก พระภูริทัตและสาโมโมสธศินหวังจะได้ที่ประสมบัติในดาวดึงสถิวโลกแต่ถ้าว่าก็ปรากฏว่าเห็นพรามในาสายเข้าก็คิดว่าพรามในศาสตร์นี้อาจจะคิดประทุษร้ายเราในวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้ <c oughs> ยิ่งได้ให้ยศถามบรรดาศักดิ์แต่ในที่สุดพรามในพรามในสาย ก, ก็กลายเป็นคนอากตศันโยไม่รู้คนคนและในที่สุดผลของพรามในศาสตร์ย่อมได้ผลตามนี้ถ้าเป็นจิตใจเขมรานโลกหลานที่หลายทั้งหลายหวังว่าเธอควรจะให้อภัยกับพราหมณ์ประเภทนี้ไหมที่เป็งคนอากตศันโยไม่รู้คนคน ใช่อย่างล้มปูล่มปูคิดว่าพรามในสตัตนี่ก็คือเทวทัตเพราะนี่สุติพรามเนสตัตทากับพระภูริทัตมันก็เห็นผลท่านตาแต่ถ้าว่านี่เป็นผลเล็กน้อยไม่จะผลใหญ่ขบันดาลลูกหลานที่รักฟังกันต่อไป <c oughs> เป็นอนุวัตการรมชั่วประเภทนี้นะขอจงอย่าได้มีในจิตใจข้ามดาลูกหลานทั้งหลายความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปคํานึงคิดว่าเขาไม่ควรจะทํากับเราแต่เราก็ควรจะคิดต่อไปว่าที่เราทํากับเขานะั้มันเป็นการสมควรแล้วหรือคิดอย่างนี้นะถ้าจะทําความชั่วอะไรก็คิดถึงว่าถึงพรามณ์ในสตา์ ว่ากรรมนามาย่ยมสนองผลของกรรมคาว่ากรรมคือการกระทำแย่จงจย่คิดว่าผลของความดีหรือว่าผลของความชั่วนี้เราจะไปได้รับผลกันในชาติหน้านี่ผู้อย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวคืนไปความจริงผลของความดีหรือผลของความชั่วทำเดี๋ยวนี้มันก็ได้เดี๋ยวนี้ ตัวอย่างถ้าเราทำความดีเจอหน้าใครเราก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพในเมื่อเราไหว้เขาเขาวหวเขาก็ไหว้เราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเราสงเคราะห์ช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุข เราก็ได้รับการตอบสนองในการพอใจความรักใคร่ความเคารพนับถือนี่ผลไม่ให้ผลปัจจุบันในด้านของความชั่วเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเราพยายามประทุษร้ายเขากล่างแกล้งเขาเขาก็เกลียดเรา ที่ความจริงผลของความดีหรือความชั่วในองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า <c oughs> ไม่ได้บอกบอกว่าผลนี่มันจะต้องมาชาติหน้าเสมอไปความจริงสมเด็จพระจอมไตรบรมิตรศาสนาแนะนําให้คนทําความดีความชั่วเพื่อผลในปัจจุบันแต่สําหรับมันผลในานาโค้กคือชาติหน้านั้นก็หมายความว่านุ่มปูจะเปรียบให้ฟัง อย่างวันนี้เราเป็นคนดีเห็นคนหิวเราก็สงเคราะห์ในอาหารเห็นว่าคนที่เขามีความลำบากยกของไม่ไหวแล้วก็ช่วยยกในแรงกายวาจาใดๆที่จะเรียกล่าวคนใดล้วก็กล่าวในวาจาสุภาพอ่อนโยนเป็นวาจาเป็นที่รักเราเห็นหน้าใครเราก็ยกมือไหว้ยิ้มแยมแ้มแจ่มใสให้ คนที่ได้รับก็คือเป็นที่ความพอใจในปัจจุบันคือวันนี้และที่องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าถ้าทำแล้วความดีให้ผลไม่ถึงชาติหนาเราก็ใช้ระยะเวลาใกล้ๆว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปเราไปดูคนที่เราช่วยเหลือเขาไว้เขาเห็นหน้ามาไรก็แสดงความชื่นใจเมื่อ น, นั้น ยิมย้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีเมตตาปราณีกับเราเป็นที่รักคือว่าเขาเป็นคนรักเราเราเป็นที่รักของเขาอย่างนี้จะว่าเป็นผลด้านหน้าคือวันพรนุ่นี้แต่สำหรับเรื่องชาติหน้าในการต่อไปเราก็ไม่ควรจะคิดคิดว่าวันนี้เราทำความดีก็แล้วกัน วันนี้เราเป็นคนที่มีจิตประกอบไ้ในความเมตตาปราณีมีความรักสิ่งกันและกันในหมู่คณะของเราก็ในด้านในคนทั่วไปและมีการเกื้อกูลสงเคราะห์สิ่งกันและกันให้ทุกคนต่างคนต่างมีความสุขใครบกพร่องอะไรเราช่วยให้พ้นจากการบกพร่องนั้นเป็นการบรรเทาก็ทำลายความทุกข์ให้หมดไป ถ้าไม่สามารถจะปลดเรื่องความทุกข์ให้หมดไปได้แล้วก็วันท้าวความทุกข์แม้ต่างคนต่างก็มีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธทมไม่ยื้อแย่งไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยแล้วเรายังเกื้อคูณซึ่งกันและกันด้ยทรัพย์สินต่างคนต่างให้กันต่างคนต่างสงเคราะห์กัน และต่างคนต่างก็เคารพสิทธิในความรักซึ่งกันและกันทุกคนพูดตามความเป็นจริงมีวาจาอ่อนหวานแล้วก็ไม่ยุยงให้ต่อแตกกันสร้างความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวและทุกคนไม่ทําประสายขั้นต้นให้เหมือนเมาทําลายประษาทให้สิ้นไป ทำความเร่อทำความหวั่นไหวเขาไม่สายคขสติฟันฟ่นเฟือนทุกคนทรงอารมณ์จิตให้สบายสบายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าทาจิตให้เป็นสุขโดยอำนาจเขาสมาธิคำว่าสมาธิก็คือความตั้งใจตั้งใจไว้ในความดีโดยเฉพาะว่าจุดนี้เป็นความดีที่เราปรารถนา เราต้องการความดีมีอะไรคืนหนึ่งเราจะรักเราจะเมตตาซึ่งกันและกันเราจะเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าบุคคลผู้นั้นถ้าเรารักด้วยเราก็สงสารเขาด้วยแล้วเราก็เกือ้อกูลเขาในทรัพย์สินแลว่าวยกําลังกายตา้งกาลังปัญญา เราจะไม่ยื้อแย่งความรักสิ่งใดกั น, กนเราจะไม่ใช้วาจารเทศเราจะไม่ใช้วาจารหยาบคายเราจะไม่ยุโยงส่งเสริมให้เขาลายความสามัคคีจะใช้วาจารแต่เป็นที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ลูกหลานที่รักลองนั่งหลับตานึว่าในหมู่คณะของเราจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์ เป็นอันว่าดูตัวอย่างโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคนอกตัญโยไม่รู้คนคนความจริงพระโพธิทัศน์ให้ของดีทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งใหญ่โตเมื่อเวลาที่จะกลับก็ยให้แก้วมันีที่เราเรียกนั้นว่าแก้วสารพัดนึกสามารถจะต้องการความยิ่งใหญ่ยังไงก็ได้จะร่ํารวยแบบไหนก็ได้แต่ปุริสายกลับไม่รับ เป็นครามเนร้นเป็นครามเนรสายกลับไหมครับแต่มาภายหลังเกิดความโลภในความโลภนี้ก็ไม่ใช่ขโมยของเฉยๆเขคิดประทุษร้ายบุคคลผู้มีคนนี่นลูกหลานที่รักความชั่วย่อมเห็นผลในชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่าความชั่วนี่นั่นจะไปรอผลชาติหน้าอย่าลืมเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา คำว่าบาปแปลว่าความชั่วคำว่าบุญแปลว่าความดีจงใช้ภาษาไทยอย่าใช้ภาษาแขตหวังว่าบรรดาลูกหลานที่รักที่ฟังเรื่องราวกันมาแล้วตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของท่านพระโพธิทัศน์ท่านพระโพธิทัศน์เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความเมตตาปราณี แล้วว่าทําไมหนอความดีที่ทําอย่างนี้จึงต้องถูกประหัตประหารถูกลงโทษข้อ น, นี้เขมรดาลูกหลานทุกคนฟังแล้วก็ต้องคิดเราะว่าหลวง ป, ปู่เองนะได้รับคำหยุดเสมอแล้รับคถามมีหลายท่านบอกว่าบุญทานนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เวลาทําไปแล้วโบก็สร้างวิหารก็สร้างเสื้อาทายก็ถวายอะไรทุกอย่างก็ทําทั้งหมด แต่ปรากฏว่าความทุกทางกายคือทุกขเวทนาไม่เกิดหยุดเสมอที่บริการหนึ่งการกระทุบกระทั่งทางใจก็เกิดความป่วยไข้ไม่ส บ, บายการถูกนินทาว่าร้ายการถูกก่งแกล้งแล้วทำไมมันยังมีถ้าคิดอย่างนี้ก็ดูท่านผู้ริทัศ์ท่านูริทัศน์ท่านให้โทษแก่ใคร ท่านทำแต่ความดีแต่ว่าทำไมน่ถูกลงโทษอย่างนี้ถูกทรมานด้วยการทั้งปวงคนนี่มันก็สนองสองอย่างคือถ้าเราไม่เลวผลรความเลวที่จะลงโทษเราไม่มีมันก็เป็นความเลวานอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก้ตัว บางประโยชน์ฝ่ายเดียวว่าใครจะมีทุกอย่างในายฉันไม่สนใจคอยฉันได้ก็แล้วกันฉะนั้นจงอย่าไปโทษว่าบุญกุศลไม่ใช่ไม่ช่วยตนให้มีความสุขเราจึงถือว่นหนึ่งว่าหนึ่งผลที่จะมาได้จากความทุกข์ที่เราทำความดีก็เพราะว่าจากความเลวของคนอื่นเด้งตัวนี้อย่างหนึง่ง ในบริการที่สองถ้าเชื่อกฎของกรรมการกระทําไม่ในอดีตอาจจะให้ผลเราในวันนี้ก็ได้อดีตก็หมายควาวันที่รวมมาแล้วแรสชาติที่รวมมาแล้วเอาแล้วลูกหลานที่รักของหลวงปู่วันนี้หลวงปู่ก็ว่าอะไรยาวไปหน่อยหนึ่งย้อนใหม่นะว่าท่านสําหรับท่านอะอะไรละ่ะ ท่านพยาณาคนะ่ะท่านโภคะท่านก็จะพรามท่านดาว่าเจ้าพรามในสตัตว์สําหรับเจ้าพรามในสรสัตว์นะั้นมันยังไม่สิ่งคิดมันพยายามที่จะกล่าวอะไรๆต่อไปให้พ้นบังแจให้พ้นจากความตายให้ได้ที่ท่านโาพคะบอกว่ามึงแอบต้นไม้คอยดักยิงเนื้อที่มาดื่มน้ํา เนื้อก็ถูกยิงแล้วก็ไม่เงโลดไปได้วยความเจ็บปวดมึงยังติดตามไปจนพบในเมื่อมันนอนกลิ้งอยู่แล้วมึงก็แล่เนื้อมันหับมาจนถึงที่อยู่ของพรโพธิทัศน์พี่ชายของกูมึงพบพี่ชายของกูพี่ชายของกูได้พามึงไปเลี้ยงดูให้มียศฐานบรรดาศักดิ์แล้วมีสมบัติทุริการ มึงยังทำบาตุสายผู้มีคนใช่อีกกรรมนั้นจะต้องสงนองมึงในวาระนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตคนที่ไร้ประโยชน์อย่างมึงนี่ความจริงโลกลักน์ที่หลายทั้งหลายคนเห็นไหมว่าเขาคนจะตายตกเขาคนจะตายเสียประกำหนักไนั้นว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าพราหมเนศศาสตร์ก็ยังไม่สิ้นคิด พยายามที่จะกล่าวอะไรต่อไปเพื่อให้พ้นไปจนได้จะนเลกล่าวว่าพรามผู้ทรงเวทหนึ่งผู้เรียงชีพด้วยการขอหนึ่งผู้บูชาไฟหนึ่งทั้งสามนี้ไม่ควรฆ่าเ่ทั้งสามนี้ไม่ควรที่จะฆ่านี่หมายความพรามผู้ทรงเวท คำว่าเวทเนี่ยเป็นวิชาของพราหมณ์เขามีวิชาอยู่สามอย่างอีรุเพสยุบเพสสามเพสเขาเรียกว่าไตรเวทเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่พราหมเขาสอนให้ได้ศา ส, สนาเขายังกล่าวาพราหมณ์ผู้ทรงเวทคือมีความรู้นิพพานการหนึ่งผู้เลี้ยงชีพยดในการขอมาเนว่าคนที่ยากจนขอทาน เอแล้วก็ผู้ที่บูชาไฟคำว่าบูชาไฟนี่พราหมณ์เขาจเจริญสมาธิในการบูชาไฟจุดไฟขึ้นมาแล้วเป็นการบูชาพระเจ้าเพ่งไฟแต่ความจริงถ้าเขาทาดีก็มีผลนะมีผลอย่างด้านอราราดดาบทอุตักันดาบทนะอขอโทษไม่ใช่อย่างท่านชาดินถามพี่น้องท่านบูชาไฟ จงกระทยได้พิญญาสมาบัติท้าบูชาไฟดีก็ดีแต่บางคนก็ไฟไปจุดไปเฉยๆไม่เป็นเรื่องถ้ากล่าวว่าทั้งสามนี้ไม่ควรจะฆ่าขอให้ท่านปล่อยเราเสียเพราะเราเองก็เป็นผู้ทรงเวทเป็นผู้เลี้ยงชีพยในการขอเป็นผู้บูชาไฟตนความจริงนี่เขาโกหกเขาฆ่าสัตว์กิน ท่านสุภค้าได้ฟังดังนั้นก็ได้เกิดความหลังเลแต่ยังคิดว่าเราจะพาพรามนี้ไปยังหน้าอัิภพถามความเห็นพี่น้องดูแล้วจึงจะรู้รู้ว่าควรจะลงโทษมันยังไงนี่เปลว่าเขาก็รู้สึกวันดีหัหยไอ้กรรมต่อกรมกข็ของกรรมศาสัตร์เนี่ย ต่อมาในชาติสุดท้ายเป็นพระเทวทัตเห็นแม่ลูกหลานที่รั ก, พ, พ, กพระพุทธเจ้าคือเสื้อเต็นทโพธิทัศน์นี้ก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเล่าเล่าเรื่องราวขอตนเองว่าท่านทําดีทุกชาติแต่ว่ามีคนเสียเสียอย่างเทวทัตถูกกลั่นแกล้งพระองค์ทุกชาติทั้งๆ ท, ที่พระองค์ก็ไม่เคยตอบสนองเราคุยต่อไปใหม่นะ เมื่อท่านสุโภคได้ฟังด่นั้นก็เกิดความหลังเลแต่ยังคิดว่าเราจะพาพรามนี่ไปยังหน้ากับวิภพถามความเห็นพี่น้องดูแลว้วว่าท่านนั้นหลายเห็นสมควรจะลงโทษมันยังไงเราจรึงจะลงโทษตามนั้นนิรู้สึกว่าเขาว่าถ้าเขาดีนี่กล่าวว่าในมือของเรา มีสมาชิกเหลืออยู่คือพี่นอร่วมท้องของเราถ้าสมาชิกเขาว่ายังไงมึงมึงจะต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าแล้วก็จับคอพร์เสือกใสไปกลางไปพรางบริภาษ์คืนด่าว่าไปกลางองนี้นะทานดุเมื่อถึงประตูของที่ของประตู ที่ประทายของทั้งโพ้ดีทัศน์จึงได้ไปถึงที่นั่นพอดีนะพอไปถึงที่นั่นพอดีก็เป็นว่าเป็นเวลาที่ถึงที่แล้วควรจะเรียกพี่น้องเข้ามาไปชุมกันเวลานี้ถ้าสุภูคาท่านจับร้ายตัวสาคัญได้แล้วแต่ลูกหลานที่รักเ <c oughs> ขาหลวงปู่วันนี้หลวงปู่รู้สึกว่าแยทวงเวลาไปนิดนิด แต่ความจริงก็หวังเพื่อเป็นกิจเพื่อการฟังชาดกถ้าเราจะฟังกนได้เรื่องอย่างเดียวก็รู้สึกว่าผลมันจะน้อยไปไม่ตรงกับจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสดาเป็นันว่าวันนี้ก็มาถึงกันเมืองขว่ายาหนาเขาแล้วกันนะเพราะไหนๆถ้าเดินทางไปไกลมานานก็จะกลับมาถึงบ้านก็นเหน็ดเหนื่อย้าไปลงโทษตามเนสาน ทั้งนี้พ่อะอะไรก็เพราะว่าก็ควรังให้ท่านพักสักบ้างดีไหมให้พักเส้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ท่านเรียกไปชมบรรดาพี่น้องทัานหลายมาปรึกษากันทั้งนี้เพ่ออะไรก็เพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วในโลกหลานที่รักเป็นนั้นว่าการที่ท่านจะเรียกไปชมกันในวันหน้าจะมีผลเป็นแบบการใดขบรรดาลูกหลานที่รักทัานหลายเอยรับฟังในวันต่อไปสวัสดี